2. โกศิยวัคเก 9. รูปยะสังโวงหารสิกขาบทว่าด้วยการแลกเปลี่ยนรูปยะเรื่องพระชัพพะคี 587. สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพวกพิสุชัพพะคีทำการแลกเปลี่ยนกันด้วยรูปยะชนิดต่างๆพวกชาวบ้านพากันตาหนิ ประนามโพลนทนาว่าฉนัยพระสมณะเชื้อสายสักยบุตรจึงทําการแลกเปลี่ยนกันด้วยรูปยะชนิดต่างๆเหมือนพวกครหัตที่ยังบริโภคการเล่าพวกภิกษุได้ยินชาบ้านตนําหนิประนามโพลนทนาบรรดาภิกษุผู้มากน้อยพากันตําหนิประนามโพลนทนาว่าฉนัยพวกภิกษุชาว พ, พัีจึงทําการแลกเปลี่ยนกันด้วยรูปยะชนิดต่างๆเล่าครั้นภิกษุเหล่านั้น